ที่วัดป่าหัวตลกวนารามวันที่สิบสองกันยายนสอง9ันห้าร้อยห้าสิบเก้าเรื่องก่อนเกิดใครคือเจ้าเกิดมาแล้วเจ้าคือใครโดยหลวงตาลรงศักดิ์ขีนารโยกลับไปบ้านนะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเข้าองน้ำห้อ ง, องส้วมดื่มกินไม่ว่าจะทำกิจการงานใด ต้องทํางานนั้นแม้ผิดพลาดส่วนข้างในนั้นให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ตลอดเวลาอย่าทิ้งความรู้สึกตัวไว้กับพุทโธที่จะดีหรือไม่ดีไม่ต้องไปสนใจใจจะสงบหรือไม่สงบไม่ต้องสนใจอย่าทิ้งความรู้สึกตัวอย่าทิ้งความรู้สึกตัวไว้กับคำบริกรรมพุทโธภายใน ไม่จะยืนเดินนั่งนอนเข้าน้ำห้องส้วมเดินกินเดินทางไปไหนมาไหนให้ทํางานข้างนอกไม่ผิดพลาดข้างในอย่าทิ้งความรู้สึกตัวไว้กับคำบริกรรมพุดโธไปไหนหรือถ้าใครพิจารณาความตายหน้าเปยบุพเพความพิจารณามรณาลุสติอยู่ไม่ว่าร่างกายไปนอกจะทําอะไรใจต้องแอบให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับที่ตัวเองพิจารณาอยู่ อย่าทิ้งความรู้สึกตัวภายในนะความรู้สึกตัวที่เรารู้อยู่อะไรอยู่ภายในหรือพิจารณาอะไรอยู่ภายในอย่าทิ้งความรู้สึกตัวเป็นอันขาดไม่ว่าจะทําอะไรทํากิจการงานใดขอให้อย่าทิ้งความรู้สึกตัวในภายในที่รู้รู้สึกตัวอยู่กับคำบริกามพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเมื่อไหร่เราทิ้งความรู้สึกตัวอยู่กับพุทโธภายในหรืออยู่กับการพิจารณาร่างกายจิตเห็นเน่าเปื่อยผุพัง เราจะส่งจิตออกนอกร่างกายเราทันทีจะส่งไปหาคนนั้นหาคนนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแหงจิตส่งออกนอกมันเป็นทุกข์จิตเห็นจิตมันเป็นมรรคผลแหงจิตเห็นจิตเป็นนิโรธคือความพ้นจากทุกข์ดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้เห็นจิต พุโทโธอยู่ในเรามีความรู้สึกไมบางทงความรู้สึกตัวอยู่ภายในจิตก็คิดมีความรู้สึกสบายไม่สบายก็จะรู้หมดแต่ก็ได้แต่แค่รู้เราไม่หลงไปกับความคิดไม่หลงไปเป็นผู้คิดเองได้แต่รู้ว่ามีความคิดอะไรแทกรกซ้สสนอนคำบริกำพุโทโธอยู่ภายในก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้โดยเราเนี่ยไม่หลงไปเป็นผู้คิดเองคือไม่หลงไปเป็นสังขารเพราะธรรมชาติของเราเป็นวิสังขะเป็นวิสังขาร คำวิสังขารคือความไม่ปุงแต่งหรือเป็นอาสังกตธาตุคือความไม่มีตัวตนอักษังอสังขารอาแปลว่าไม่สังข์อาสังขะคือความไม่ปุงแต่งเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรปุงแต่งได้เพราะเป็นความว่างเปล่าหาตัวตนไม่มีไม่สามารถจะมีความรู้สึกเมกิดอารมณ์ได้เราแท้ๆคือจิต ด, ดั้งเดิมแท้ๆเป็นวิสังขารหรื อ, อสังขารธาตุ ซึ่งมีสภาพได้แต่รู้อย่างเดียวแต่ตัวตนไม่มีมีแต่รู้เช่นเราอิ่มก็รู้ว่าเราอิ่มเราหิวก็รู้ว่าเราหิวเรานั่งอยู่ก็รู้เรานั่งเราเดินก็รู้ว่าเดินนอนอยู่ก็รู้ว่านอนแต่อันนี้รู้อย่างนี้มันก็เป็นเป็นอันรู้อันเดียวกันนี่แคือเรียกว่ารู้กายกายนั่งก็รู้กายนั่งกายยืนก็รู้ว่ากายยืนกายเดินก็รู้ว่ากายเดินเพราะมันเป็นธรรมชาติรู้ ซึ่งติดคู่มากับสัตว์ทุกชนิดจะต้องมีธรรมชาติรู้เนี้ยเป็นธรรมชาติรู้เนี่ยอยู่ในตัวแม้แต่หมาเองเวลามันนอนมันก็ต้องรู้ว่ามันนอนเวลามันไม่สบายมาเช้าเราเดินผ่านไปเห็นมันไปหาหญ้า ก, กินหมาไม่สบายผมไปกินหญ้ามาแล้วมันก็ฉลาดมากเลไยไปกินหญ้าพวกหมานี่มันรู้าารเป็นสัจติญาเว่าะหญ้าไหลเป็นเป็นญา มันไปกินเจ้าแล้วมันก็มาอาเจียนออกมาแล้วมันก็หายดังนั้นความรู้อันเนี้ยมันเป็นของรู้ประจําตัวสัตว์บุคคลทั้งหลายสัตว์เทพเจ้ามนุษย์อินพรมยมยะนาคุธมันมีความรู้ประจําตัวติดมาความรู้อันี้ยมีในพุทธเจ้าในพระพุทธชนนะและสัตว์ระจานทั้งหลายสัตวระสัต ท, ทั้งหมดเป็นความรู้เดียวกันรู้ละรู้ว่าร่างกายนี้อิ่มก็รู้อิ่มอิ่มก็รู้ว่าอิ่มหิวก็รู้ว่าหิว นี่เรียกว่ารู้เป็นธรรมชาติที่รู้ร่างกายเราตามความเป็นจริงและรู้อันนี้เป็นธรรมชาติที่รู้เวทนาคือว่าสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเป็นกลางกลางหรือว่าเฉยเฉยธรรมชาติรู้ที่รู้กายอิ่มกายหิวกายยืนกายเดินกายนอนกายนั่งไม่ใช่ว่าความตั้งใจไปรู้นะความตั้งใจที่จะไปรู้อะไรเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขาร แต่ธรรมชาติที่รู้ติดตัวคู่มากับทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นธรรมชาติที่รู้ที่เป็นวิสังขารตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีที่อยู่ไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีหนาไม่มีบางไม่มีสว่างไม่มีมืดเป็นแต่ความรู้ที่มีอยู่ประจําตัวสัตว์ทั้งหมดอิ่มก็รู้ว่าอิ่มหิวก็รู้ว่าหิวง่วงก็รู้ว่าง่วงนอนตื่นมาแล้วก็รู้ว่านอนตื่นมาแล้ว ปวดท้องอุจจาระปัสสาวะก็รู้ว่าปวดท้องอุจจาระปัสสาวะไปอุจจาระปัสสาวะมาเสร็จแล้วก็รู้ว่าอุจจาระปัสสาวะมาเสร็จแล้วมันเป็นธรรมชาติที่เป็นความรู้วิสังขารเนี่ยหาตัวตนไม่เจอแล้วอย่างเราอิ่มเนี่ยก็รู้ว่าเราอิ่มแต่เราหาตัวผู้ที่มารู้ว่าเราอิ่มเนี่ยหาไม่ได้รู้แต่ตัวเราหาเจอแต่ตัวเราอิ่ม แต่ผู้ที่มารู้ตัวเราอิ่มเนี่ยเราหาตัวเขาไม่เจอเวลาเราหิวเนี่ยเราก็รู้แต่หาเจอแต่ตัวเราที่หิวแต่เราหาตัวผู้ที่มารู้ว่าเราหิวเนี่ยไม่เจอนี่เรียกวารู้กายส่วนเวทนาเนี่ยร่างกายจิตใจที่สบายกายสบายใจก็รู้ว่าสบายกายสบายใจ รู้แต่ตัวเราเนี่ยสบายกายสบายใจแต่หาผู้ที่มารู้ว่าเราเนี่ยสบายกายสบายใจเนี่ยหาผู้ที่มารู้เนี่ยหาไม่เจอเพราะเขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยเขาเจึงเรียกว่าเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขะอธาตุหรือเป็นสุญญตาสุญญตาแปลว่าความว่างเปล่า จึงไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ความรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรร่างกายเรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนร่างกายเราไม่สบายสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจเจ็บไข้ได้ป่วยความรู้เนี่ยจะรู้เราตลอดนี่เรียกว่ารู้กายแล้วก็รู้เวทนาแล้วก็รู้จิตของเราก็คือว่าจิตเรามีความคิดนึกตึกตองมีอารมณ์กับใคร ก็จะรู้ได้แต่ตัวหาหาพบได้แต่ตัวเราซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีกิเลสปรุงแต่งกับใครก็จะรู้ได้แต่จะไปหาผู้รู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยหาไม่เจอว่าเราเนี่ยแอบมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีกิเลสกับใครเราจะหาผู้รู้นั้นไม่เจอหาเจอแต่ตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มีแอบมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสกับใครเท่านั้น ท่านจงจำไว้ให้ดีว่าหาเจอแต่ตัวเราที่มีเวทนามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่จะหาผู้ที่มารู้ตัวเราที่มีตัวเราสบายไม่สบายมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไรมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสอย่างไรเราจะหาผู้รู้ไม่เจอจะเจอแต่ตัวเราเท่านั้นเพราะตัวเราที่มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเนี่ย ที่สามารถไปรับรู้อะไรได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นสังขารปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้าเนี่ยคือไปรู้เอาไปรู้ทางตาหรือว่าเอาตาไปเห็นสิ่งใดภายนอกเอาหูไปได้ยินสิ่งใดภายนอกได้เอาจมูกไปดมกลิ่นได้ไปรู้กลิ่นภายนอกได้เอาลิ้นไปรู้รสรู้รสได้เนี่ยแล้วก็ รู้ที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับธาตุรู้คือรู้เวทนาสัญญาสังขารคือรู้ธำรู้ทำมาลมทางประตูใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์หเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปแม้แต่วิญญาณาขานเมื่อสิ้นตาที่จะเห็นรูปคือถึงแก่ความตายวิญญาณที่รับรู้รูปทางตาก็ดับลง สิ้นหูที่ได้ยินเสียงหูเน่าแล้วเพราะถึงแก่ความตายวิญญาณที่รับรู้ทางหูก็ดับลงสิ้นจมูกจมูกมันเน่าแล้ววิญจมูกเน่าแล้วก็สิ้นจมูกที่ได้กลิ่นวิญญาณที่รู้กลิ่นทางจมูกก็ดับลงสิ้นลิ้นลิ้นเน่าแล้ววิญญาณที่มารู้มารู้รสทางลิ้นก็ดับลง สิ้นกายเพราะร่างกายเน่าแล้ววิญญาณที่มารูการกระทบทางกายก็ดับลงสิ้นเวทนาสัญญาสังขารคือเวทนาก็ดับไปแล้วขันห้าเวทนาขันดับสัญญาขันความจำได้หมายรู้ดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ดับไปเพราะว่าร่างกายดับแล้วถึงแก่ความตายแล้วมโนวิญญาณที่มารู้เวทนาสัญญาสังขารรู้ธรรมอารมณ์ก็ดับลง ดังนั้นเนี่ยความรู้ในที่เป็นวิญญาณที่มารู้เนี่ยมันจะดับลงเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นประตูนั้นดับลงแล้ววิญญาณขันจึงดับลงแต่สิ่งที่ไม่ดับลงที่มารู้ตัวเราเนี่ยเป็นอมตะไม่ดับเรา อิ่มก็รู้ว่าเราอิ่มเราหิวก็รู้ว่าเราหิวเราสบายก็รู้ว่าเราสบายเราไม่สบายก็รู้ไม่สบายเรายืนเดินนั่งนอนก็รู้ว่าเรายืนเดินนั่งนอนเราดื่มกินอย่างไรก็รู้ว่าเราดื่มกินอย่างไรเรามีความสุขรู้สึกนึกคิดอารมณ์แอบมีกิเลสกับใครรู้เนี่ยเขาจะตามรู้เราทั้งหมดในที่ลับในที่แจ้งไม่อาจรอดพ้นจากรู้นี้ได้รู้เนี้ยเป็นอสังขตธาตุหรือเป็นวิสังขารซึ่ง ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ความว่างเปล่าเป็นอสังขตธาตุคือไม่มีอะไรเลยเมื่อเขาไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้ตัวเรารู้ร่างกายรู้เวทนารู้จิตเขาเลยไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายแม้แต่อาวุธอะไรก็ทำลายเขาไม่ได้รู้เนี่ยแม้แต่นิพพานก็ยังทำลายรู้นี้ไม่ได้ นิพพานทำลายได้แต่ปฏิสนธิวิญญาณที่จะไปเกิดใหม่แต่นิพพานทำลายธาตุรู้นี้ไม่ได้เพราะธาตุรู้นี้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยได้แต่รู้ตัวเราตลอดเวลาตรงเนี้ยสำคัญมากเพราะรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนได้แต่รู้เราตลอดแต่เราเข้าใจผิด ว่าตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแต่แท้จริงเนี่ยเราแน่แนคือสิ่งที่รู้ผู้ที่มารู้ตัวเราแน่แนเราแน่แนคือสิ่งนั้นเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้แท้่น่แน่คือเราเราเน่ยคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันสันฐานอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างเดียว ที่รู้ตัวเราอยู่ตลอดเวลานั่นแน่คือเราแท้แท้และเป็นเราตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ตัวเราเนี่ยที่ถูกรู้เนี่ยทั้งร่างกายทั้งเวทนาทั้งจิตที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยสิ่งพินสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยต้องตายแตกดับเน่าเปื่อยไปทุกชาติแต่ผู้ที่รู้ตัวเราเนี่ยไม่เคยแตกดับ แต่ที่เราไม่เข้าใจสักทีว่าเราคือตัวนั้นเราคือผู้ที่รู้ตัวเราที่เราเนี่ยคือความไม่มีตัวตนแต่เราเนี่ยไปยึดเอาร่างกายที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เป็นตัวเราเรายึดผิดตัวเราจึงต้องไปสร้างตัวใหม่เรื่อยไปเพราะเราขาดตัวไม่ได้ที่เราจะเราจะไม่มีตัวไม่ได้เพราะเราไปยึดว่าเรามีตัว เราจึงไปสร้างตัวใหม่ขึ้นตามบุญตามบาปกรรมดีและกรรมชั่วที่เราทำไว้แล้วเรายึดอะไรมันก็ไปเกิดกับสิ่งนั้นตามที่เรายึดเพราะเรายึดว่าเรามีตัวเราจึงเอาตัวเราเนี่ยไปยึดสิ่งใดเมื่อเราไปยึดสิ่งใดไว้เราจึงไปเกิดกับสิ่งนั้นแล้วไปสร้างรูปร่างใหม่ตามบุญบาปกรรมดีและกรรมชั่วเราจึงเวียนไหวตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแทบทุกประเภทในโลกนี้ ไปเป็นเปรตเป็นอสุรากายไปตกนรกมาดึกดำบรรพ์มานานแสนนานไม่กี่รุกี่พบกี่ชาติเป็นอนันตาการเพราะเรายึดผิดตัวมาทุกชาติทุกชาติคือเรายึดเอาล่างใหม่ที่เราเกิดใหม่เช่นเราเกิดมาเป็นสัตว์เลื้อยการเป็นงูเลื้อยไปพอออกมาท้องจากท้องงูแล้วเรารู้สึกตัวมามันเลื้อยได้เราก็บอกไอ้งูที่เลื้อยได้เนี่ยเป็นตัวเรา พอเราออกมาเป็นสัตว์ปีกเราก็บอกว่าไอ้สปีกที่มันบินได้คือตัวเราแล้วเราก็ยึดเอาไอ้ตัวนั้นเป็นเราแล้วเราก็ไปยึดเอาตัวอื่นเราหลงแบบแบบนี้ยหลายชาติแม้แต่พะระอรหันต์ที่ท่านละลึกชาติได้แล้วผู้ชอบฐานะสโมท่านก็ละลึกได้ว่าท่านเคยเกิดเป็นไก่ตัวผู้เมื่อเกิดเป็นไก่ตัวผู้ก็หลงเอาว่าร่างกายที่เป็นไก่ตัวผู้นี่คือตัวเรา เมื่อรู้เห็นว่าร่างกายที่เป็นไก่ตัวผู้นี้เป็นตัวเราก็ไปมองเห็นว่าไก่ตัวเมียเนี่ยสวยมากเวลาเราเป็นคนเรามองไม่ออกเลยว่าไก่ตัวเมียไก่ตัวผู้มันหลอ่อมันอย่างไรมันสวยอย่างไรแต่พอเราไปเกิดเป็นไก่เห็นไก่ตัวผู้หล่อมากไก่ตัวเมียสวยมากความลงผิดเช่นนี้ทําให้ท่านเกิดเวียนวนเป็นไก่อยู่ให้เขาเชื่อดอยู่เจ็ดชาตินี่อรหันต์ก็โดนมาแล้ว หลวงปู่จันทาถามวาโลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราไปอยู่เร่ไปฝึกอยู่กับท่านอยู่สี่ปีท่านเล่าให้ฟังว่าเคยเกิดเป็นหมีแล้วออกไปหากินทิ้งลูกไว้ในถ้ำกลับมาเสือมันฆ่าลูกแล้วก็กินลูกแขนแขนเสือมากเลยกระโดดกัดกระเสือจนตายทั้งคู่ด้วยผลของกรรมที่อาฆาตแขนต่อกัน ก็เลยไปเวียนวหว้ตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนานหลายชาติแล้วฆ่ากันกับเสือที่ไปเวียนไหว้ตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วฆ่ากันตายทั้งคู่หลายชาติฆ่ากันไปฆ่ากันมาจนกระทั่งท่านมาเกิดเป็นจระเข้ก็ไปยึดเอาไอ้จระเข้ที่อยู่ในน้าเนี่ยคือตัวเราแล้วก็หลงว่าสัตว์ตัวเมียเนี่ยตัวละเข้ตัวเมียเนี่ยมันสวยดี เราเกิดเป็นจระเข้ก็ดีเนะเพราะว่ามีตัวเมียได้สลายตัวด้วยความที่หลงผิดอย่างนี้เป็นหน่าวิชาเลยเกิดเป็นจระเข้อยู่หลายชาติเมื่อเกิดเป็นจระเข้ก็กัดกับเสือจนตายอีกระทั้งที่จระเข้อยู่ในน้ําเสืออยู่บนบกแต่ด้วยความที่มันผลของกรรมที่เคยกัดกันก็กัดกันจนตายอีกขณะจะตาย ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะพ้นจากปากเสือสัทีเห็นลิงมันโหนอยู่บนต้นไม้ก็เลยอยากจะไปเกิดเป็นลิงเพื่อ ห, หนีพ้นจากปากเสือความยึดลิงเป็นเหตุเอาไว้ก็เลยไปเกิดเป็นลิงเข้าท้องลิงแล้วไปเกิดเป็นลิงเรายึดอะไรเราก็ไปสิไปเกิดกับสิ่งนั้นไปเข้าท้องลิงโหนไปโหนมาแล้วสุดท้ายก็โหนไปเล่นตามวัด เห็นคนเขาใจบุญสุนทานผู้หญิงคนหน้าตาหมดจดใจบุญสุนทานชอบมาทําบุญที่วัดมาสวดมนตไหว้พระมาถือศีลภาวนาเหมือนพวกเราอย่างเนี้ยอยากไปเกิดเป็นลูกของเขาเห็นเขาในใจบุญดีเกิดเป็นลูกของเขาคงจะมีความสุขสบายเพราะเขาใจบุญก็เลยเกิดไปเป็นลูกของเขาแต่นี้ก็เกิดมาเป็นคนใหม่ในเนี่ย พอเกิดเป็นคนใหม่พอรู้สึกตัวอยากบวชเลยแล้วก็อยากบวชก็ไปบวชในวัดที่ตัวเองอ่ะไปลิงห้อยโหนอยู่นั่นเพราะจิตมันใต้สํานึกมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพบชาติเป็นบาของแต่ละคนมันวนเวียนเช่นนี้เพราะอาวิชชาที่ไปหลงเอายึดเอาไอ้ร่างกายที่มันตายแตกตับเน่าเปื่อยทุกชาติเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจนชาติใดาชาติหนึ่งเนี่ยมีเกิดมาพบพระพุทธศาสนามีผู้สอน ให้เรารู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราที่ถูกรู้นี่ตัวเราที่ถูกรู้นี่ว่าที่สบายไม่สบายมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไรเป็นตัวเราที่ถูกรู้ที่จะต้องแตกดับเปลี่ยนล่างไปทุกชาติแต่เราที่แท้จริงคือผู้ที่มารู้ตัวเราที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีวันแตกดับไม่มีวันทําลายไม่มีใครทําลายได้ใครจะมีอิจลิษตานใดทําลาย จิตเดิมแท้ไม่ได้เพราะว่าเป็นของไม่มีตัวตนเป็นความว่างเปล่าแม้แต่นิพพานก็ทำลายจิตเดิมแท้ไม่ได้ทำลายได้แต่วิญญาณปฏิสนธิวิญญาณที่จะไปเกิดใหม่ดังมีมังปัจญญาอยู่เรื่องหนึ่งที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยองชายสาม ตกต้นไม้ลงมาแล้วก็มาเห็นพระนั่งอยู่มันก็มีหมอกเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่าท่านคือใครเนี่ยมีหมอกบางเต็มไปหมดเลยนั่งเป็นพระหอมผ้าคุ้มโปงอยู่ท่านคือใครเราก็คือเจ้าไงเราจึงรู้จารู้จักเจ้าทั้งหมดเลยรู้เรื่องของเจ้าทั้งหมด จะมารู้จักเราได้ยังไงก็ละเจ้าเ่ยไม่รู้จักตัวของเจ้าเองเจ้าเนี่ยไม่รู้จักตัวของเจ้าแต่เราเนี่ยรู้จักตัวของเจ้าเพราะเราคือเจ้าเห็นหมเนี่ยมันจะมีหนังเรื่องนี้เกิดขึ้ น, เ, นเราแชร์ไปให้ดูกันทั้งหลายคนแต่คงไม่เข้าใจเราแชร์บ่อยเรื่องนี้ว่าเออ เอพระองค์ชายสามตกต้นไม้ลงมานอนเล่นอยู่ต้นตุ๊บมาเอา้ามีผ้านั่งขุมหน้าอยู่มีหมอกเต็มไปหมดเลย เ, เราหลงมาอยู่ในโลกไหนเนี่ย เ, เหมือนกับหลงไปในโลกอีกโลกหนึ่งท่านคือใครเนี่ยเราก็คือเจ้าเนี่ย อ, อย่ามาพูดอย่างนี้นะเอเอเจ้าเสยไม่รู้จักตัวเจ้าเอง เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าคือใครแต่เราเนี่ยคือรู้จักเจ้าเพราะเราก็คือเจ้าตอนหลังท่านก็เลยไปช่วยพ่อขององค์ชายสามเสร็จแล้วก็เลยเขียนกระดาษทิ้งไว้แล้วก็เดินหนีหายไปองค์อีกองค์หนึ่งเลี้ยวชายสามมาขี่กระดาษดูว่าจะแะเจ้ า, จานึกว่าลืมถุงอะไรว่าจะไปคืนอา้าวทานไปซะแล้วเอ้ยในถุงมีอะไรเปิดถุงออกดูว่า ก่อนเกิ ด, ก, ก, ด, คค ก, ดก่อนเกิดมาใครคือเจ้าเกิดมาแล้วเจ้าคือใครหาให้พบก่อนเกิดมาใครคือเจ้าเกิดมาแล้วเจ้าคือใครเพราะฉะนั้นเน่เราแท้จริงไม่ใช่ร่างกายเราที่เกิดมาแล้ว เพราะเรามีมาตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วนั่นแนะธรรมชาติของธาตุรู้เนี่ยไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายไม่เคยสูญเราแน่นแน่ในร่างกายเราเนี่ยแท้จริงมันจะมีสามสามส่วนในร่างกายเราที่ซ่อนเล่นอยู่เนี่ยมันมีสามส่วนหนึ่งคือร่างกายกายเนื้อนี่ที่เป็นของไม่เที่ยงต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทำต้องเน่าเปื่อยผุพังไป สองจิตสังขารหรือเรียกว่ากายจิตจิตสังขารที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวไม่สบายใจแล้วมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เรียกว่ากายจิตสังขารกายจิตสังขาร น, นี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปสนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดเรียกภาษาไทยเราเรียกว่าใจหรือผู้รู้ หรือวิญญาณนาธาหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือพุทธะหรือธรรมธาตุหรืออรหันธาตุหรือนิพพานธาตุหรือผู้รู้นี่เองที่บอกว่ารู้ร่างกายรู้จิตใจเราตลอดเวลาเพราะมันคือใจของเรานี่เองมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสาคัญนั่นคือใจที่ซ่อนอยู่ลึกๆในในร่างกาย กายเนื้อและกายจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดนั่นคือใจภาษาไทยเรียกว่าใจหลวงปู่ดูนาตุโลเรียกว่าพุท ธ, ธเซนเรียกว่าพุท ธ, ธหนังพุทธเจ้ามหาสัตตดาโลกเรียกว่าพุท ธ, ธถ้าใครดูหนังพุทธเจ้ามหาสัตตดาโลกตอนตัดสลูพระพุทธเจ้าตัดสลูแล้ว เดิมร่างกายของพุทธเจ้าก็เป็นกายที่มีผมธรรมดาปกติแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรูแล้วพระพุทธเจ้ากลับมีสามกายตอนที่พุทธเจ้าตัดสรูแล้วพุทธเจ้าเดินขึ้นไปอย่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั่นแหะเต็มดวงเดินลุยเมฆขึ้นไปถ้าใครดูหนังพระเจ้ามหาสัตระลาโลกตอนนี้ดีๆจะเห็นว่า พระพุทธเจ้ามีสามกายกายที่เดินไปตรงกลางขึ้นสู่ดวงจันทร์นั่นแหละขึ้นสู่ดวงอาทิตย์นั่นคือผู้ที่หลุดพ้นแล้วตัดสั้เป็นอรันสัมมาสัมพุทธเจ้ากายที่กลางๆเนี่ยขมวดก้นหอยเป็นกายพระพุทธเจ้าที่ขมวดก้นหอยบ่อยนีย่นี่แบบเนี้นี่นี่คือกายพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเสียงว่าเจ้าคือพุทธะพุทธะ ไม่ใช่กายเนื้อที่มีความรู้สึกตึกคิดอารมณ์เพราะเจ้าคือพุทธะพุทธะมีอยู่ในพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพระอาหารหันต์มีอยู่ในสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทมีอยู่ในสัประสัตถ์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดมีอยู่แล้วนะหรือเรียกว่าใจนั่นเองหรือจิต ด, ดั่งเดิมแท้แท้ของทุกท่านเรียกว่าพุทธะ ความเป็นพุทธะมีอยู่ในใจของทุกท่านนั่นคือใจส่วนร่างกายที่เป็นกายเนื้อนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่ละชาติเมื่อร่างกายเนื้อนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีกายจิตทึ่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นไปอย่างที่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปพอไปเป็นงูก็คิดอย่างงูเป็นนกก็คิดอย่างนกเป็นไส้เดือนก็คิดอย่างไส้เดือนเป็นหนอนก็คิดอย่างหนอนมันคิดอย่างหนอนอย่างไรมีเพื่อนของหนอนเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดา เลงลงมาเห็นเพื่อนว่าเพื่อนไปเกิดเป็นอะไรอ้าวเพื่อนไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในซ่วมขี้เมื่อคมายก่อนเนี่ยคนไปถ่ายอุจจาระแล้วไม่ได้ไม่ได้มีเป็นชักโครกอะไรหรอกเอาไม้กระดานพาดแล้วก็ถ่ายลงไปหนอนขึ้นเต็มไปหมดเลยเพื่อนไปเกิดอยู่เป็นหนอนอยู่ในซ่วมขี้เทวดาก็สงสารเพื่อนมากเลย อยากให้เพื่อนได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็พยายามไปเขี่ยวเพื่อนออกมาจากจากซ่วมขี้แล้วพยายามพูดกับเพื่อนว่าให้ถือศีลห้าไว้ให้ดีตั้งใจให้แน่วแน่แวเวลาตายแล้วจะได้ไปเกิดเอบนสวรรค์อย่าไปหากินกับอุจจาระที่มันสกรปรกอย่างนี้เลยไอ้เพื่อนก็บอกว่าแล้วเพื่อนไปเกิดเป็นเทวดาเป็นยังไงบ้างาเทวดามีความสุขสบายมาก อยากกินอะไรอยากได้อะไรในลาภิสเอาก็ได้มาทุกอย่างไม่ว่าอยากจะกินอะไรก็ในลาภิสเอาแล้วได้มาทุกอย่างเลยขอให้เพื่อนเนี่ยรักษาศีลได้ดียอมตายแล้วก็จะไปกินอุจจาระเน่าๆอย่างนี้เลยไอ้เพื่อนบอกว่าไม่เอาะ่ะเป็นเทวดาลาบากเพราะว่าจะกินอไอทีก็ต้องไปเสียเวลาในลาภิสแต่เราเกิดเป็นหนอนเนี่ยเรามีความสุขที่สุดเลยเพราะว่า ถึงเวลาคนก็เอามาให้เรากินมาไถ่เรามาเอามาให้เรากินเนี่ยเอามายอดให้เรากินหมดเลยเราเนี่ยสบายมากกว่าเพื่อนอีกเพราะเพื่อนเนี่ยจะต้องในลาวิสเอาแต่เราเนี่ยถึงเวลาคนก็มาให้เรากินให้เรากินเราไม่เอาเลยกลับไปเข้าไปในเบ่อจระตามเดิมไม่ว่าเพื่อนจะเขี่ยยังไงนี่ก็กลับเข้าไปในบ่อจระตามเดิมนอนมันก็คิดอย่างนอนนั่นแน่ร่างกายเราเกิดเป็นปลามันก็คิดอย่างปลาเป็นเต่ามันก็คิดอย่างเต่า มันมันคิดไม่ออกเลยอย่างเกินอย่างนั้นเนี่ยมันไอ้ร่างกายกับจิตใจซึ่งเป็นความคิดเนี่ยมันไม่ใ ช, มมใช่มันไม่ใช่แท้ๆของเราเราคือใจที่อยู่ในร่างนี้ในร่างเราทุกชาติจริในร่างเราคือใจเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแต่มันรู้เราตลอดเวลานัน่นแน่คือเราวิธีที่เราจะพบใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านกล่าวว่า ผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพันนิพพานมันสําคัญตรงนี้จึงบอกว่าสําคัญจึงต้องให้ตั้งใจฟังเพราะว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพันนิพพานแล้วทายิยะกับพระมาลุงกยายบุต ร, ร, ร เ, เมื่อบวชเอาเมื่อแก่แล้วก็ตัดเถรถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วเราจะถึงพันนิพพานพบใจเนี่ยพบธรรมถึงใจถึงพันนิพพานได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงฟังให้ดี ถ้าเธอสักแต่ว่ารู้ตัวเธอเราเองเนี่ยสักแต่ว่ารู้ตัวเราเองสักแต่ว่ารู้ตัวเราเองมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไรมันสบายไม่สบายมันไม่สบายมันสบายไม่สบายอย่าไปมีความอยากเข้าไปผสมให้มันรู้ซื่อตรงไปตรงมาตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติรู้เนี่ยมันไปมีความอยากอะไรไม่ได้มันเข้าไปแทรกแซงเข้าไปยามไปแก้ไขอะไรไม่ได้ มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนได้แต่รู้ตัวเราซื่อๆหรือสักแต่ว่ารู้ซื่อๆตัวเราตัวเรามีความรู้สึกมึคิดอารมณ์อะไรเนี่ยใจหรือธรรมชาติรู้เนี่ยได้แต่รู้ตัวเราซื่อๆมันจะสบายไม่สบายมันจะมันจะว้าวๆ้ามันจะมันจะฟุ้งซ่านมันจะเป็นอย่างวุ่นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราละรู้ตัวเราซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาอย่าไปมีความอยากอย่าไปมีความแทรกแซง มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอยากจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อย่าไปมีความอยากเข้าผสมในการรู้ขอให้รู้ตัวเราซื่อๆือส่วนเราจะเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยก็เอาขันห้าคือเอาสังขารเนี่ยช่วยพาตัวเราไปหาหมอเราหิวข้าวธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็ได้รู้แต่เพียงว่าตัวเราหิวข้าว แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยไปตักข้าวตักกับข้าวมาให้เรากินเนี่ยมันตักไม่ได้มันต้องเอาขันห้าเนี่ยเมื่อรู้แล้วว่าตัวเราหิวมันก็ต้องเอาขันห้าซึ่งยังไม่แตกไม่ดับเนี่ยเป็นเครื่องมือไปตักข้าวมาให้ขันห้ากินเมื่อขันห้าเจ็บป่วยรู้มันก็รู้แต่ว่าขันห้าเนี่ยเป็นทุกเวทนาเจ็บป่วยแต่ขันห้าเนี่ยมันต้องปรุงแต่งมันมีเครื่องมือมันปรุงแต่งได้ก็ช่วยเอาขันห้าเดี๋ยไปหาหมอให้หมอเขาซ่อม แต่ซ่อมแล้วหายป่วยไอ้ขันห้าไอ้ธาตุรู้ธรรมชาติรู้เนี่ยใจเนี่ยมันก็ได้แต่รู้เราว่าเราหายป่วยแล้วแค่นี้เนี่ยมันชุบมือเปิบอย่างเดียวช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเรารู้แบบตัวเราแบบชุบมือเปิดแบบเนี้ยมันช่วยอะไรเราไม่ได้เนี่ยเราก็จะพบใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจคือเป็นรู้อยู่ตลอดเวลารู้ตัวเราตลอดเวลาโดยไม่โดยไม่เอาตัวเราไปเป็นสังขารไปเอาตัวเราไปเป็นคนคิด แต่ตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้ตัวเราคิดอะไรแต่ไม่ใช่เอารู้เนี่ยไปคิดซะเองรู้เนี่ยมันรู้ว่าตัวเราคิดอะไรคิดนึกตึกตองคิดนึกตึกตองคิดวิเคราะห์วิจารณวิจัยรู้คิดอะไรกับใครคิดอะไรกับตัวเราคิดอะไรกับใครมันรู้ตัวเราทุกคิดไอ้รู้เนี่ยมันรู้ตัวเราทุกคิดว่าเราเนี่ยคิดตึกต้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องคิดเรื่องทำเรื่องตัวเราคิดอะไรกับใครมันรู้ตัวเราทุกคิดแต่เมื่อไรที่เราตัวเราไปคิด เราไปเป็นสังขารปรุงแต่งทันทีไม่เป็นรู้ตามธรรมชาติเราจึงไม่เข้าถึงตัวเราจึงไม่พบใจเพราะใจได้แต่รู้คิดไม่ได้ได้แต่รู้ว่าตัวเราคิดเล็กคิดน้อยคิดหยุมคิดยําคิดยุดย่ยก็ ย, ยับอะไรมันได้แต่รู้ว่าตัวเราคิดอะไรแต่รู้นี่มันคิดไม่ได้ให้เป็นรู้เรื่อยไปอย่าไปเป็นผู้คิด ให้เป็นรู้เรื่อยไปมีความจำเป็นจะคิดอะไรก็ตั้งใจคิดขึ้นมาอาศัยคิดนั้นเป็นเครื่องมือเมื่อคิดเสร็จแล้วก็ให้เป็นรู้ตัวเราที่คิดอะไรทุกคิดนึกตุนตอมคิดย่อยคิดจับคิดเล็กคิดต้อยเราก็จะเป็นรู้เป็นใจเรื่อยไปก็จะพบใจพบธรรมเมื่อไร่เป็นรู้ตัวเราได้ทุกคิดไม่หลงไปเป็นคนคิดปูมเป็นสังขาร เราก็จะเป็นใจที่เป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขตธาตุอย่างถาวรเรียกว่าถึงใจบรรลุพระนิพพานทุกคนต้องฝึกอย่างนี้เพื่อให้พ้นสภาพที่ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดพ้นสภาพที่จะต้องไปอยู่ในร่างต่างๆพ้นสภาพที่ต้องให้ถูกยมมาทูดเขาลากถูลูดถูกลกางไปลงตะแลงแกง เมื่อพบใจซึ่งเป็นของไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอย่างถาวรแล้วตายแล้วร่างกายที่เป็นกายเนื้อก็ดับกายโป่งแสงที่เป็นกายเป็นกายจิตก็ดับหายไปเหลือแต่รู้ซึ่งกายเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรธรรมชาติจั ก, กรวาลไปยมมาทูตซึ่งเป็นฝ่ายจะมาลากเอาจิตวิญญาณไปลงโทษก็หาตัวไม่เจอเพราะ มันหายตัวไปแล้วเหมือนด่งพระโคติกะเชื่อดคอตายพระโคติกะป่วยเป็นมะเร็งเจ็บปวดแสนสาหัสทุรนทุลายมากเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรคมะเร็งยมมาทูตมาบอกกับมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเพระโคติกะจะเชื่อดคอตายแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ไปขัดขวางก็เพราะว่าคงมีพยานอย่างรู้ของพระองค์ว่าพระโคติกะท ก็ถึงยังไงก็จะตายอยู่แล้วเพราะถึงเวลาสุดท้ายดิ้นรนจนถึงสุดท้ายแล้วแต่ถ้าได้เชื่อที่คอตายเสียก่อนก็จะบรรลุอรหันต์จึงยอมให้พระโกติกาเชือทีคอตายเพราะว่ายังไงก็จะตายแล้วถ้าไม่ให้เชือทีคอตายก็ตายสีแต่ถ้าเชือทีคอตายจะได้บรรลุอรหันต์ก็เลยปล่อยให้พระโกติกาเชื่อที่คอตัวเองทีละน้อยทีละน้อยน้อเชื่อกไปเชื่อกไปเชื่อกไป มันเจ็บปวดทุกทรม า, านก็บเวทนาและเลือดไหลแดงนองพื้นหมดระโคติกะปองสังขารตัวเองว่าสังขาร น, นั้นเป็นทุกสิ้นดีไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเลยปล่อยวางสังขารตัวเราที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี้หมดสิ้นเมื่อใจปล่อยวางหมดสิ้นก็ถึงแก่ความตายพอดีพอตายเสร็จกายเนื้อก็ดับไปกายจิตปกติของคนที่ ยังปล่อยวางไม่หมดยังยึดถือยังหลงไปเป็นสังขารปรุงแต่งเวลาถึงแก่ความตายกายโป่งแสงก็จะเด่นกระเด็นออกมาจากล่างกายเนื้อก็ตายไปไอ้กายโป่งแสงเหมือนตัวเรากระเด็นออกจากล่างแล้วยกมาทูดก็ามาลากถูลูถูกกลางไปถ้าเป็นอุบัติเหตุตายตายโหงก็อยู่ในที่มืดนั่ น, นแหละแล้วไม่ไปไหนหรอกเหลือก็ตัวเราเล่ย่อนไปอย่างงั้นแหละแต่พระโคติกะบรรลุอารหันต์แล้วสิ้นความยึดมั่นถือมั่น หายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติพระพุทธเจ้าจึงตัดกับอานน์ไว้ใครไปดูในหนังพระพุทธเจ้ามหาสัตตนาโลกตอนสุดท้ายที่ว่าอานน์เธอไม่ต้องเสียใจไปหรอกเราตถาคตไม่ได้เกิดไม่ได้ตายหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราอยู่ในทุกที่ตถาคตอยู่ในทุกที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในอากาศอยู่ในแสงแดดอยู่ในลมที่พัดโดนตัวเจ้าอยู่ในน้ํา อยู่ในแผ่นดินที่เจ้าเดินอยู่ในทายที่เจ้าเดินอยู่ในใบไม้ที่เจ้าถืออยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจที่ใดมีความว่างที่นั่นมีตถาคตที่ใดมีความว่างที่นั่นมีพุท ธ, ธะซึ่งเป็นธาตุรู้ของทุกคนทุกท่านทุกสรรพสัตว์ซึ่งเป็นของดั่งเดิมผู้ใดพบใจ หรือเป็นธาตุรู้ที่เป็นของดั้งเดิมผู้นั้นจะพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงมนิพพานกายร่างกายเนื้อก็จะดับไปกายโปร่งแสงซึ่งเป็นกายจิตก็จะดับหายไปเหลือแต่ความว่างหมดสิ้นซึ่งการเวียดว่าตายเกิดให้เป็นทุกข์ไม่ต้องไปรับโทษทันกรรมบาปกรรมทั้งหลายที่ทํามาก็เป็นโมฆะไปหมดสิน้นไม่ติดทั้งบุญไม่ติดทั้งบาปเหนือบุญเหนือบาป หายตัวไปนั่นเองทุกอย่างที่เกิดมาเป็นคนเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวเพราะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะพาตัวมาฟังธรรมพาจิตมาฟังธรรมและเข้าใจธรรมและเข้าใจได้ถึงสภาพดั้งเดิมแท้ๆของเราคือธาตุรู้หรือนิพพานธาต หรือพุท ธ, ธะหรือธรรมธาตุหรืออรหันธาตุหรือสุญญาตาเพราะฉะนั้นการเกิดมาคนการเกิดมาเป็นคนนี่แนีคือรางวัลที่ได้ได้พบพระพุทธศาสนาพบครูบาอาจารย์ได้พบธรรมได้มีโอกาสฟังธรรมที่เป็นที่สุดได้มีโอกาส ปบัติจนถึงที่สุดใดพบใจของตัวเองหรือจิต ด, ด, ดันเดนแทสติกที่บอกว่าก่อนเกิดมาเจ้าคือใครเกิดมาแล้วใครคือเจ้านั่นแหละหาให้พบ